พระบัญญัติ1147ก็ภิกษุณีใดอันสง่าอยู่ว่าแม่เจ้าเธออย่าบวชให้คุรธิดาเลยรับคำแล้วภายหลังกลับบ่นว่าต้องอบัติป่ายจิตตีเรื่องภิกษุณีจันทากาลีจบ